อนาปติวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือห้า 1. ภิกษุพิกูทำภาพน้ำฝนได้ขนาดสองพิกษูททำภาพน้ำฝนต่ำกว่าขนาด 3. ภพิกษูได้ภาพน้ำฝนที่พูนทำเกินขนาดมาตัดแล้วใช้ 4. ภพิกษุททำเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. ภพิกษูวิกลจริต6กพิกษูตต้นบัญญัติวัดสระ วัฏสิกะสาติกาสิกขาบทที่เก้าจบ